เรามานี่มีทุรประการใบพระเจ้าจเราเสยงก็บัตรนี้มีนักสบอกมาว่าข้าสุดยกมาจะตีเมืองเรานั้นจะจริงรือไม่จรงประการใดนี่เป็นใหญ่เท้ามันก็จรงบอกว่าถึงข้าสุดยกมานี่หาจริงไหมผันจะคิดไม่ตกเลยอันบ้าเมืองเรานี้ นี่แต่จะยเยืนกันสุดหาเป็นมันตายประการใดไม่นานไปเมื่อวีกกะจะมาโนกนอกกระทัางเองว่าดังนั้นแล้วเออ่เดี๋ยว่าคนฟงเด้อก็ล้มผางเป็นนั้นว่าเทพเจดาอาระกออกจากตัวแล้วไม่ตอบคำถามเสร็จก็ล้มผางไปเลยเพื่อเจ้าเราเสียน ได้ยินยายพาว่ากล่าวดังนั้นว่ดีใจอะ่ะก็จีเพร่อจะานเชื่อพาให้ตามสมควรซึ่งมีมนักศึกษาเข้ามาจา e ับเกียงอุ้ยแม่ทัพคนสำคัญของแผ่นดินพระองค์เองอะ่ะแต่พระองค์ก็มีได้เชื่อฟังมิได้คิดการใดๆอย่างไรสู้ไปเลย เชือกฟางออดเทา้าบ้านเมืองเป็นสุขสนุกสเสบยไม่ต้องเกิดทำการใดๆเลยต่อไปวีโ ก, กจะมันนกนอกเองด้วยก็ชวนไปเจ้าวีโกเซฟซราเค้าแต่นารีทุกวันนี้เ็กค่ะตั้งแต่เกียนวมีมีไม่บอกเข้ามาที่นแล้วก็ส่งรายงานเข้ามาเนมือๆละส่งรายงานก็ามาตลอดเวลา วีโฮขันทีรับเงนสือมันแล้วก็ติดความเสียไม่ได้กราบถูได้เพืาเราเสียงเดชซุชาติอย่างใดเลยเราพอมองเห็นทางาเสียชวนแล้วว่าเป็นอย่างไรพอมองเห็นกันล่ะทีนี้กล่าวข้างฝ่าย องหนีเชือสายข่าวถู่าาเป็นกองหน้าคานเป็นพับจงโวยก็รีบยกมาถึงด่านเมืองลำเติงแต่ไม่ชยกเข้ามาง่ายไหมต้องทำทางมาโดยทลอดเลยมาถมืลง้ก็แจกแกทหารในบังคับบัญชาของตนัพลวงวะเตเรื่องเขาตีด่านนี้ให้ได้อำนาจผมก็จะได้โดยง่าย ทหารทั้งปูดินเขาหนีหวาดังนั้นโอรองเข่าตีด่านลําเต็งควายว่าหล่อซุนครั้งรั่วกองทัพมือมวยกกยกมาแล้วก็เร่งกาเตือนทหารถือเก่าทันไปตั้งซุ่อยู่ริมพวกเกี่ยวที่หน้าดังครั้นเขาหนียกฐานร่งเขามาตีพวกทหารกองซุ่นเนียกระตุกประทับสัญญาณขึ้นแล้วก็ยกกระหอากรก เอาเกาทัระเบนดินแตเป็นสามารถทหารขา้าวหนีไม่ทนันทั้ตัวโดนเกาทานันบุินกระหน่ามันก็เสียทีแต่กระจายกลับไปหาทัพหลวงแห่งเมือความแต่จงวยทุบประการจง ว, วยในฝัก็คิดสงสัยก็พาถานร้อยหนึ่งนี่เขาไปดูฝ่ายฐานชาวดันเห็นมาพวกดาน่ากันตรงเข้ามานั้นก็ยิงเกาทากระหน่าออกไป จงโฮยและขานทัพป น, นี้อาจจะต้านทานได้กดฉากมาถอยกลับออกมาล่อซุนอยู่ในด่านผู้รักษาด่านเห็นได้ทีดังนั้นก็ขับทานไล่มาถึงป็นสะพานปลายด่านฝ่ายซุนไคซึ่งเป็นทางของจงโฮยเห็นชาวด่านไล่รุกจงโฮยมาดังนั้นซุนไคเนี่ยก็หลีเข้ายินแอบดูวิน่าน ได้ทีก็ยิงเกาทังไปถูกลอดซุนผู้รักษาด่านปกจากหลังมาตายทหารชาวด่านเห็นัวนาด้วในความปานาก็ตกใจต่างคนต่างก็แตกตระหนกจนโหรก็ฝ่ายกลับเป็นฝ่ายไร้เข้าไปบ้างละทหารกองหลังหมุนก็มาอีกก็พร้อมกันไา้เวลานตีเข้าไปปีเอาด่านล้ำถิ่งได้สำเร็จ จงหวยตีด่านลาติงได้สำเร็จจงหวยนั้นครั้งตีด่านได้เรียบร้อยก็เข้าไปตั้งอยู่ในด่านนายทัพนายกองทั้งปวมาถึงแล้วจงห่วยก็คิดว่าแกะเขาหนีว่ะตัวอาสาเราเป็นกองหน้าแล้วมาทาการไม้เสียทีแกฆ่าสึดดังนี้นี่หาดีว่าได้สุนไค แก้ไขไว้เราจึงไม่เป็นอันตรายพวกตัวครั้งนี้ถึงตายและจอมอยก็สั่งให้ทหารเอาตัวขาวมนีไปตากศีรษบเสียทหารทั้งกลุ่มนี้นนก็จริงว่าอันขาวูผู้เป็นบิดาขาวหนีแต่ก่อนมาก็ได้ทำความชอบแก่แผ่นดินวีโกกไว้มากอยู่ ซึ่ท่านได้คาดข่าวนี้คือด้วยความผิดครั้งนี้ก็สมควรอยู่แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนี้จะขอโทษไว้ชักครั้งหนึ่งก่อนจงโวยก็จริงว่าสึ่งท่านทั้งปวจะขอโทษข้าวหนีผู้กระทาผิดไว้นั้นนี้ได้ด้วยอาญาสิจะเสียไปทหารทั้งปวงผู้จะกระทาสงครามไปข้างหนา้า จะยื้อย่างกันได้มีจงหอยจำเป็นต้องกระทำการครั้งนี้เด็กขาดก็จึงสั่งให้เอาตัวเขาหวีไปตักศีรษะเสียบไว้มีเขาวีแม่พับมาถูกมาพลาดพรั้งตนเองก็ต้องสังเลยอาญาสิไปและโจงหยก็จึงให้เอาตัวซึ่งไทยมา แล้วก็กล่าวว่าอันความชอบของนั่นครั้งลิมมากนะคือซุนไทยเป็นผู้สามารถฆ่าหลอกซุนไมบ่บานนั่นตายได้นี่ก็เป็นความชอบมากล่ะก็จึงให้มาและเกราะแกซุนไทยดูบําเหน็จฝีมือมีโจงวยความจริงก็กระทาถูกต้องผู้ได้ผิเก็โทษ ต, ตามผิดผู้ได้กระทาความชอบกับบําเหน็จตามความชอบละและโจงเอยก็ให้ลจวน คุนทหารกองยกไปปีเมืองตกเสียแล้วก็ขุนไคเนี่ยเด็กว่าคุานทหารได้รับบำเด็จใหม่ๆเนี่ยไปปีเมืองหันเสียส่วนปัวตรงโวยนั้นยกฐานทังปวงขุ่นไปยังดานแหดบึงขวัญ โอบโยกมาก็ปรึกษาเกียวสีว่าครั้งนี้เราจะที่อ่านทําการต่อสู้กับข้าสุดอย่างไรถึงจะดีเกียวสีก็จึงว่ากองทัพมูริโกะมาครั้งนี้เป็นทัพใหญ่ซึ่งจะออกต่อรบด้วยเท่านั้นเองจะไม่ได้ก็จงตั้งมันรักษาตัวเราอยู่แต่ในค่ายเถิดวิธีการเขาก็มีอย่างนี้หุ่ยยียมก็จึงว่า ่ารเลือกตั้มันอยู่ในดา่านถ้าสุดจะมีกราอไปเตี๋ยวนื้หนึ่งหันเสียแล้วเนื้อกบเสียสองหเมืงองนี้ไว้หรือซึ่งทางคิดดังนี้เราหายเห็นเรื่องใหม่เตี๋ยวสีเลือกฟังอย่างนั้นเขาเรียกตัมาปรึกษาตัวบอกให้คำปรึกษาให้ความคิดไปแล้วแต่เขาไม่เห็นด้วยตัวเพราะเขาเป็นนายด่านเขาใจอย่างนั้นเที๋ยวสีก็หนึ่งไป มาได้ปอกคำมันก็ถูกแล้วขณะทีห่หูเยียมกับเจียวสีพูดกันอยู่นั่านกเลนก็เข้ามารายงานบอกว่าานี้กองทัพมีกะปีเข้ามาถึงดินบางแล้วหูเยี่ยมได้ยินก็ตกใจก็พาเจียวสีขึ้นไปดูบนหอหกเห็นเจงโยแม่ทัพวีกะขี่มายืนเอาแสมาชี้เข้ามา และก็ร้องว่าให้ชาวด่านเร่งออกมาอยู่ด้วยเราเถอเราจะริ่นด้วยเป็นท่านนูนมันไม่ให้จงมาแต่ถ้าขัดแข็งนี่ออกมาเราปีด่านได้แล้วจะตักธิษศาสตร์ชาวด่านทั้งปวงเช่ไหมหุ่ยเหี่ยมไม้ด่านก็มีกวามโกรธนะสาในเกียวสีอยู่ในด่านเนี่ยตัวหุ่ยี่ยมขุมานสามพันหัร้องก็โิมตีกองทัพจนโอย วายจงเหยครันเห็นชาวด่านยกออกมาดังนั้นค่อยขาน้ารวมเรียงรายก็เป็นกองๆองและก็แก่้งทําเป็นเข้าสู้สู้แล้วก็ทําเป็นหนีหนีหูเหยี่ยมไอนั้นก็ได้ใจดีใจเรยโยกฐานปีออกมาจงเหยลอกรอหูเหยียนออกมาแค่ น, นั้นได้เห็นได้ทีแล้วก็บอกโยกฐานก็ปีกระนาพร้อมกัน หุเยียนจนมีนถงสามพันตันั้นมีอาจจะชู้ได้ก็แตกหนีกลับเข้าไปในด่านฝ่ายเกียวสีเห็นหู่ยยียนแตกนี้กลับเข้ามาดังนั้นน่ะเอ่อก็สัให้ปิดประตู ด, ดา่านไปเลยแล้วก็ร้องว่าแกหูเยียนออกไปทียว่าบัดนี้เราเข้าแกข้าศึกแล้วท่านจะได้กลับเข้ามาอยู่ในด่านกับเราเลยเกียวสี 4. แล้วก็คิดทำมองว่าจะสู้ไปก็ไม่มีความสามารถจะชนะข้าศึกได้อะก็จะยอมแพ้แหละหุยเหยี่เห็นเกี่ยวสีปิประตูด่านไม่ยอมให้ตนกลับเข้าไปในด่านแล้วร้องมาด่านนั้นก็จะยอมเข้ากับข้าศึกก็โกรธก็ร้องด่าเข้าไปว่าไอ้ขบวชไม่คิดถึงคุณเจ้แผ่นดินเลยคนเช่นนี้หาเป็นชา้าทหารไม่ว่าแล้วหุยเหยี่ยมก็ พาฐานก็สู้กับเจ้าโหอีกครั้เป็นหนาดิบโรยยิ่ง น, นะก็ทอดใจใหญ่แล้วก็จหงนว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็จะเป็นฆ่าพระเจ้าเราเทียนถ้าเราหาชีวิตไม่แล้วก็จะขอเป็นผีอยู่ในพระเจ้าเราเทียนนี่และหรือเยี่ยมว่ามันก็เอาทวงแทงตัวเองถึงแก่ความตายทหารที่มาดยเห็นดังนั้น ตัวมาชิงฆ่าตัวตายแต่แนเรลาเชนนี้ต่างก็พากันแตกหนีไปสิ่งคือสิ่งกำลังใจจะสู้รกันต่อไปอ่ะจงโฮยก็เปวันได้ด่านแทนบงังขวนโดยไม่สู้ยากนะเจียวสีที่อยู่ในดาน่านน่ะก็เปิดประตู ด, ด่านออกมาโนกหนอกอบุกโจงโฮยจงโฮยก็ให้เสือผ่าตามสมควรแล้วก็หยุดพักฐานอยู่ในด่านแทนบังขวน ทเวลดูไยินเสียงอุอมาทีเดยก็ตกใจกับทั้งกองทัพแหละจงโวยเห็นฐานตกใจเลยก็ออกมาดูแลดูไปข้างทิศเหนือแล้วก็แลดูไปข้างทิบใตแต่ก็ไม่ได้ราบอุบอะไรเป็นอะไรแต่เสียงมันเก้อทกทีเียจงโวยเลยสงสัยอยู่นะ ่เวลาเชา้าจงโหรก็ขี่มาพาถานรอยดุเพื่อไปดูจนถึงชายเขาข้างทิ่ใต้แห่งนงและไปดนเดินเขานั่นเห็นผงฟรีขึ้นตลบดังนี้ว่าทหารมาตั้งอยู่ที่นั้นจงโหก็เรียกหานายบ้านป็่อยู่ที่ชายเขามาสอบถามว่าตำบล น, นี้ชื่อไรเนี่ยนายบ้านก็บอกว่า และเขาเป็นกุญสางนี่เขาเป็นกุญสางแฮร์วนเนวกกองทมาครั้งนั้นก็มาตายนาที่นี้นี่แฮร์เนุ ค, ค, ค, คนอันหนึ่งในสองของโจโฉแฮร์วิแฮ ว, แ ว, แวเอียนหนึ่งขุร่วแฝดเป็นนายบานบอกกล่าวเก่จชิด เถวหัวเองยกทัพมาครั้งนั้นกดตายในที่นี้จนเวยดีจีนันก็พาฐานกลับมาครั้งที่ถึงกลางทางก็าบาังเกิดเป็นพายุใหญ่มืดคลุมมาทีเดียวจนโวยก็ตกใจเร่งชักม้าหนีม า, มาครั้งเหลือวไปดูข้างหลังเห็นเห็นเป็นทหารไล่ติดตามมาเป็นอันมากจนโวยและฐานบูนมีความขมามย่ ง, งนักเนะร่งหนีกลับมาจงถึงด่านแหเบงกวน โงโห่ก็สายตรวปลาบนานโพ่ไปด้วยกันน่ะกลับมาคบครันันอยูหม่เม่ตรวบแล้วก็คบจํานวนฐานี้ผู้ใดใครเป็นัตรายแต่ประการไดอย่างไรไม่ทหารทั้ก็บอกไปโจมโโหว่าสึ่งานที่ไรติดตามเมื่อแต่ที่นีมาบินก็มีีคเดินมาก็มีหอมาก็มี มีรู้ที่จะนับประมาณได้ครั้งปิดตามมาทันแล้วทาหารว่ามันก็หายไปหาได้ธรรมะแต่ลแกข้าเจ้าทำบุญตประการได้อย่างไรไม่มีอศัศจรรยงทีเดียวจนโวยก็สงสัยนะครับคนที่เกลียวสีไม้<อ>ด่านคนที่ยอมสามิภักเนี่ยมาสอบถามทีเดียว พวกที่เขาเป็นกุศลเนี่ยมีอะไรจะมีสารเทพารัชอะไรประกนานได้สิ่งสั ก, กดิ์สิทธิ์อย่างไรบ้างหรือไม่เกียวศรีก็อตอบว่าหาได้มีสารเทพารัชไหมมีแต่ปลุกไว้ศพของเบ่งฝังอยู่นณที่มัน ตอที่หหลงมาอุปราแชแหนเสฉวนสิ้นชีวิตนั้นหนึ่งของการศพของหกหลงนเบ่ น, นเด่นก็ม่ได้ยอมให้ฝังอย่างสงบเงี่ยงสบผู้ยืนผู้ด่าที่อันสมควรแต่ประการใดอย่างไรคนเด่ สั่งให้เอาศพของผมมาฝังไว้หน้าที่เขาเป็นกุญสารนี้ก็ด้วยเพื่อการที่จะพิทักษ์แนเสยฉวนให้รอดปลอภายจากศัตรูนั่นเอง ความร s ่งหลวงที่กิทำไว้ก่อนตายนะจะสำเร็จสมตัตที่คนคิดหรือเป็นอันว่าจงโหรเนี่ยครั้งรัีเอ้วยเหนี้เองคดมคคแกลงมาหอหลอนงหคังัวย่งี้เนี่ยเป็นเมื่อี่ยวสีไม่มีสัเรเคมีอะไรมีแต่ทีฝังศพโ น, นเงเนบะ วันเวลาเชา้าจงโวยก็ขึ้นเส้นไปขมับศกโขมเบ่แล้วกลับมานี่ที่ว่าจงโวยเคยทำผิดเคยทำผิดอย่างไรไปขมับศกโขมเด่กลับมาเวลาค่ำจงโวอก็นอนหลับไปฝันว่าเห็นคนหนุม่มเดินเข้ามารูปร่างสูงใหญ่หน้าขาวดังสีหยอก มีมือถือคัทแต่งตัวทําเพศเป็นอาจารย์เดินเข้ามาใกล้นี่ลักษณะนี้จงโวยก็ลุกขึ้นคำนักแล้วก็ถามว่าท่านนี้ชื่ออะไ ร, าา เ, ร เ, เป็นมหาข้าวเจ้าประสงอะไรคนผู้นั้นไม่บอกชื่อแต่กลับพูดว่า เรามาพบท่านวันนี้พ่อจะบอกให้รู้ว่าพระเจ้าลาเสียนแห่งเสชวนสิ้นบุญแล้วถ้าท่านในเมืองเสชวนจงงอินดูเถิดอย่าข้่าอนาประธาราชาดอนเลยคนผูพูดอย่างนี้จงเหว่ก็สะดุ้งกึะนขึ้นมา ก็รู้ทันทีที่ว่าูดนั้นคือฮกหลงโนเด้งที่กัดเหรียญหมาอุปราชแห่งเศนวนผู้ง่วงรับไปแล้วนั่นเองได้มาเยี่ยมตนและด้วยความการุณาในใจที่มีอยู่เป็นที่ย่งถึงแม้จะตายแล้วก็ยังเป็นห่วงยายกับอนาประชาราษปรท่านปวงสู้มาก่าวขอไว้ชนิด โดโวยก็ประกาศแกถามแม่ปูโดยทีเดียวว่าครั้งนี้ตัวเราตีเมืองเสชวนได้แล้วอยาให้สาหารผู้ใดฆ่าฟันชาวเมืองถ้าผู้ใดไม่ฟังเราเราจะประหารชีวิตผู้นั้นเสียมีจโประกาศให้ชัีเลยว่ามันใจว่าตนจะต้องมี เ, เสฉวนในสำเร็จแน่นอน แล้วก็เอาทงขาวมาเขียนเป็นอักษรความว่าเราพูดจะมังรือราษฎรทั้งปวงให้เป็นุพนี่ใจความเขียนสาส่ทงรู้ว่าอย่างนี้แล้วไปปัดไว้หน้าขายฝ๋าชาเมือหันตงีมีนสำคัญนะมือกกเสียมืหันเสียครั้งรั่จงโวยมาครั้งนี้เนี่ยเด็ก ป, ประกาศ เกตกำลังมุ่หมายว่าเพื่อบังลุงวัดสรองให้เป็นสุขเช่นนี้ไม่เคยจะมา ร, า ร, า ร, า ร, ารา้ารานรุกรานข้าพัานกันไม่อีกหมดสิ่งไปเมื่อไรบางคนต่างก็ยินดีชวนกันมาเข้าเด็กจงโหยเป็นอันมาก่อนที่เราจะเดินความกันต่อไปกระตุ้มขอ นิดเดียวที่จงโฝันเห็นคนยังเดินเข้ามารูปร่าง น, นั้นสูงใหญ่มีลรับลักษณะพิษแท้ของขงเบ้งผมเคยหยิบตอนนี้ขึ้นมาท่านดูเป็นหลายครั้งแล้วลักษณะขงเบ้เป็นเช่นนั้นนะครับมันจะดูร่างเวกมีเป็นการยืนอยันในปการหนึ่งว่าโอ้โห ม, มันจะเก่งกาจแต่สติปัญญาอย่างเดียว เพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ปราบมือเพลงทวนมือเพลงอาวุธต่อสู้กับใครเท่านั้นและก็เคยพาสุมาอีออกมารบกันซูมาอีก็ไม่กล่าวออกมาปรามือด้วยอเอาเพียงอังนนีเป็นอีกอีกจุดหนึ่งที่ให้เห็นถึงรูปแบบลักษณะของผงเด้งผ่านปัจจุบนนี้เรามาดําเนินความกันต่อไปละเตียงอุ้ยเตียงอุ้ยแมครับยายแห่งเสฉวน ซึ่งตั้งอยู่ที่ค่ายหลงเสรครั้งหัว่องทัพมีวีโกะใกล้เข้ามาแล้วก็เขียนเสื้อฐานรีบให้แกปิวเอและเลียวหัวสองฐานเก่าเนี่ยว่าครั้งนี้ค่าสุดด้ยวยมากระชิบเราแล้วให้ทั้งสองนายรียกมาช่วยเป็นกางรเหล็กกินกูก็กลาเรียนฐานยกออกไปต่อสู้ยทธาสุดควายอกิน ขณะเหนีน ย, ง, ย ง, อออองเกียนยุยยกกองทัพออกมาองกินก็ขับมาจุดไปหน้าทหาแล้วก็ร้องว่ากับเกียงมีว่ า, ทางทหารพวกเราเกยกกองทัพมาครั้งนี้เน่ยยี่สิบพันจำนวนทั้งสิ้นประมาณร้อยหมื่นซึ่งเมืองเสวนนั้นเราก็ตีได้แล้วองคินว่าอย่างนี้เลยท่านเติมเรื่งมันลบนอกต่อเราเสิเถิด สิ่งจะมาตัาง้งรบดูชนิดเห็นหาบางคนไหมเกียนอุย้ยได้ยินนี่ก็โกรธนะขับม้าเข้าสู้ในยองกิมสู้รดประมาณ9เพลงสิเพลงองกิ้สู้เกยียรี้ไม่ได้หรอก อ, องกินก็ถอยเกียน์อุยเห็นนี่ก็ถามไรติดตามไปเป็าระทางประมาณร้อยเส้นองกินก็หลบเขาที่ข้างทางปันห้องสุ่มผ่านดูเาก็มาสกัดหน้าเกยร์อุวยไ เกียอวี ก, ก็ร้องต่อว่าถ้าหางฝีมือเช่นมนี้จะมาสู้กูที่ไหนได้ว่าแล้วเกียงอวี๋ก็ขับหางเข้ปอรถเด็กตังหงตัวเกียงอวี๋เองเนี่ยเขประทะเด็กอวี๋กับตังหองสู้ได้ประมาณสิบเพลงตังหองก็สู้เกียงอวี๋นี้ได้ก็ถอยหนีไปหนีไปประมาณร้อยเสืองเกียงอวี๋ได้ทีไล่ปิดตามไปจูถึงกองทัพเปิงไงเป็นไ ง, เ, นไงเห็นดังนั้น ก็ออกต่อรบเกียร์อเป็นนายเองสู้กับเกียร์อุ้ยหเพลงก็ไม่แพ้ไม่ชนะแก่กันเกียร์้ยนีมีฝีมือว่าเนียนผู้ดีทีเดียวล่ะข้างฝ่ายองคินงตาหนองซุมหลบนีอยู่มีทางองข้างนะขณะนี้เกียร์อุ้ยนำพัาภูตะนีเข้าไปสู้เป็นนายแล้วเนี่นมันปะสู้กับเป็นนายอยู่ คือพระวีโกที่ส่งมาเนี่ยอสองแม่ทับใหญ่เดีย ก, กันนะครับจงโฮยนี่เข้าไปทางนู่นไปทางแนหบิงกวนู่นเขาเป็นปีศาจนู่นส่วว่าเป็นงานอยู่ทางบ้านนี้นั่งเขากีสาน อ, อ, อยูกันคนวิคนระวิตภูมเอาเก่งมีสู้กับเป็นงานอยู่สองทหารของเป็นงานคือองค์ินตันห้องนะ ก้อยานโหร้องตั้งร้องเกียนอุย่ยเขไว้รบพุ่งเป็นสา ม, มาทีมอยู่เกียน์อุ่ยตกอยู่กกยนในวนร้องเหลือกำลังต้านทานแล้วก็พาฐานรบความ์นี้ไปค่ายหนีกลับค่ายได้เกี ย, ย, พพยร์อุ่ยพาไพ่พลไปแหวกดวงร้องกลับมายังค่ายได้เข้าค่ายได้แล้วก็ตั้งมั่นไวในค่ายไม่ได้ออกต่อสู้ หวังจะคอยกองทัพข้างหลังที่จะยกมาช่วยควายมาไทยก็อเอาขาวมาแจ้งกับกินมีระบาดนี้จงโวยแม่ทัพมีกนอีกผู้หนึ่งล่ะยกกองทัพไปทางโน้นเข้าตีทันด่านแห่เด้งกวน ข้หาหูเหยียบตายแล้วเกียวสีเต่วมารองของด่านแฮหบิงกวนก็ยอมสมัครเข้าไปกับจงโฮยแล้วยกด่ดดานแหบิงกวนไห้แกจงโฮยซึ่งเมืองกกเสียเมืองคันเสียเมื่อรั่วด่านแหบิงกวนญี่เสียแก่ข้าสุดสัปดาห์สองเมืองน้อยนั้นก็ชวนกันไปเข้าแก่ข้าสึกสิ้นและบัด น, นี้จงโฮย ได้เมืองหันโตก็ได้แล้วมีรายงานอย่างนี้นี่สิหันโตกเงือนสำคัญเป็นเงื่อนทหารเงื่อนสำคัญของเสฉวนเกียง์อุ่ยได้ฟังรายงานเช่นนั้นเสียน้ำใจ ย, ยิ่งนะจะตั้งอยู่ในที่นั้นก็มิได้แล้วครั้เวลาค่ำเกียร์อุ่ยก็เลิกทัก จะหนี้กลับไปเมียงเสฉวน มกลับมาเนือทวนขึ้นจะแข็งก็คงมีเกียร์ีกลุกขึ้นได้ปัคันทวนเออเอี่ยหัวแทงมาเอาทวนแทงถูกมาของเอีวหัวเข้าให้คือเกียร์ีตกจากหลังมาไปก็จริงหรอกแต่ทวนอยู่ในมือของตนอยู่เมื่อพลิกตัวลกลับไปแล้วก็เอาทวนแทงสวนึันมถูกมาของเอีวหัวเอยวหัวก็ชัมานีเกียร์อีกก็กลับขึ้นมาของตัวไม่อีก จะไล่าตามเอี่ยวต่อไปให้ได้ก็พอดีเป็นไงอ่ะเป็นไงรู้ว่าเกียร์อยทับนี่เป็นไ ง, น ง, นนนงก็เร่งติดตามมาแล้วก็มาทันกันนาที่เนี้ข้อยสารก็ป่อสู้ด้วยเกียร์ว e ี e. เกียร์วีเห็นลังจะต้านทานจนจะหนีเข้าเมืองเสฉวนก็ไม่ได้ก็ฉากรับทางหนีคิดจะไ ป, ไปตีอเมืองฮันโผ่งขึ้น ท่นมางกลางทางก็ด้พบม้าชายขวบม้ามาบอกว่าขึ้นจะไปทางนี้ไม่ได้เห็นจูกัสูมีแฟจูกะแซของเบซึ่งเป็นจ้าเมืองอมจิวเป็นทหารของมิโกะจูกัสูทหาริก ốc, โกะจองอิวตั้งกองส ก, กัดอยู่นสพ า, อ, าอินเ็นเกียว ยือ ก, ยก็ทอดใจใหญ่ทีเดียวแล้วก็เรว่าข้างหน้าก็สกัดอยู่ข้างหลังก็รุกร่ายเข้ามาครั้งนี้เท พ, พยด า, าจะแกล่งขวานชีวิตเราเป็นมั่นคงเบงซื่อด้ยินหรือไม่ก็จริงทุกนท่จูกรบสูจ้าเมืององจิวคนนี้มานิ้งเมื อ, องอมจิวไว้นี่งยกมาทำการอยู่ทังนี้ ันจงนำฐานเร่งรักไปทาการปีเอาเมืององจิ้วทะจูกับสุรู้ก็จะต้องรีกลับไปและเราจะโนกกลับมาตั้งอยู่ในด่านเกียมโกะทิศอ่านปีเอาเมืองแหผมคือที่จุได้เหนอ้ยอเด็กควางเบงซุยให้ควางที่เห็นเช่นนี้ก็หุนด้วยก็ยกกองทัพผูไปยังองจิวตามทาเบงซุว่านั่นแหละ จูกาสูนะมาชายก็มารายงานบนด้มีกองทัพรับจะไปตีเมืององจิ้วจูการสูรู้ก็ตกใจให้ทหามดูรักษาค่ายเนี่ย200คนและตนก็ยกกองทัพเร่งรับกลับไปเพื่อรักษาเมืององจิ้วของตนฝ่ายเกียรอุย e e. ครังยกมาถึงทางประมาณ300เส้นพวกคิดว่าจูการสู เห็นว่าเรายกจะไปเมืององจิ๋วเห็นทีว่าจูกัรสูจะต้องรีบกลับไปรักษามเมืองค์จิ๋วเป็นมากคนเกยงวิคิดแบบนี้เรากจยกฐานริบกลบคือที่ไปเนะี่าทำทีว่าจะไปเท่านั้นแหละบัดนี้ก็กลับมามหาลกลับมาอย่างสะพานกินเป็นเกียวติดต่างไขของจูการ์สูเนี่ยเห็นมีแต่ขารักษ์ค่ายอยู่ประมาณ200โอยคนเท่านั้นเองยกงมีค่อยหาเอกสารกไปค่าย นายสําเร็จก็ไฟเผาไขยนั่นเสเลยแล้วก็รีบยกไปตามทางที่จะไปสู่ด่านเกียมโกะทีนี้ขันไฟจูกระสุจะไปรักษาโงโลจิวไปแล้วข้างเหนือบข้างหลังเห็นไฟจูไม่ขึ้นที่ท่ายเก่าของตัวก็รู้ดนนเด็ดขาดทีว่านี่โดนอูมาเกียนวีนเข้าแล้ว เกียงวีทำตัวรวงตนและย้อนกลับไปเผาท้ายตัวเจ้าแล้วจู้กัดสูบมีความโกรธนะแล้วนะลก็มีจําเป็นต้อง ก, กลับไปรักษานเนืงองค์จีแล้วก็ยกหันกลับมายังด่านอินเป็นเกี่ยวเหื่อเห็นท่ายของตนนะ่ะถูกเผาผลานหมดสิ้นตัวเกียงวีนั้นหนีไปแล้วก็มิได้ติตามเป็ น, นท้ายสั่งทำให้ตั้งมันอยู่นัดนี้ ทีฝ่ายเกียงอนั้นก็ยกไปยังด่านเพียนโ ก, ก้ครั้งไปถึงกลางทางก็ไปพบกองทัพเตียวเอ็และเลียวหัวสองนายยกมาตามทีมีหนัสือแจ้งไปบอกน่ะให้ทั้งสองคนยกกองทัพมาช่วยเนี่ยเอาได้พบกันเข้ากลางทางนี่ก็มีความยินดีก็เราไปฟังเราบัดนนี้ข่าสึกเมืองมีโ ก, ก้มายกเข้ามาเป็นหลายทาง ตีหุ้นยูงเราแรกเป็นหลายหุ้นยูงแล้แต่เราบอกมันซื้อติดได้เจ้าเราเสียงให้ทำเร่งมาช่วยเหตุใดจริงไม่เห็นพันยกมาเดียวเอ็ก เ, เ, เรียวฮัวก็จึบอกว่าพระเจ้าเราเสียงทุกวันนี้รูปหลงรักวีโฮทั้งทีผูนั้นยิงนะชวนกันเศสดจุราทุกวันนี้ได้ค่ะไม่น้ําพาที่จะคิดราชการบ้านเมืองเลย ซึ่งขบเจ้ยกกองทัพมานี้เมื่อรู้ว่าถ้าสึกร้อมอ้นไว้จึงยกมาช่วยพระเจ้าเราเชี่ยนมาหาดูสั่งให้ขพเจ้ามาไหมออกเป็นอย่างนี้เองที่มาช้านี่ก็เพราะอย่างนี้เองไม่ใช่ไม่มาอยากมาแต่ไม่ได้รับคําสั่งจากพระเจ้าเราเชี่ยนหรอกที่มาเพราะรู้ว่าถูกร้อมเลยหรอกเกวีเทพวันนี้ก็ขอบใจสองทหารนี่เป็นยิ่นนะ แต่กว่าแกเตียวเอกกับเตียวหัวว่าครั้งนี้ขาสุมันทำจะราชจจนแกเรานะบัดนี้เราจะไปตั้งอยู่ที่ไหนจึงจะดี X, เดียวเอ็กเตียวรูวถว่าขอให้ท่านเราไปตั้งอยู่ณตำบนด่านเกียโก้เถอะเขาจะรวบภูมิานครับขันมั่นคงเจาะพดีและเราจะจัดแกงซ่องสูงฐานได้พร้อมแล้ว ในช่วงที่ประการไดเขาคิดทำการไปเอามีหันถงคือเห็น ม, มือก็เห็นชอบเหนือก็ยกฐานไปฝ่ายตั้งขวั้นด่าังเกียงโก้หนะ่ะเห็นเกียง ม, มือยกฐานมาดังนี้ยแต่ก็ไม่รัว่าเป็นเกียง ม, มือเห็นกองทัพมาก็ตกใจสำคัญเราเป็นค่าสึกละเพราะว่าข่าวทัพข่าวศึกมีมนุษย์วาสับสมนีนะ ทัพวีก้มยกก็มาเป็นหลายทางเนี่ยตางโขวดก็กลับเรียนหนังจะออกรถมาชายเขาก็ามาแจ้งว่ากองทัพที่ยกมานั้นเป็นกองทัพเกีย e. งอุยเอาไปต่างขวดเดี๋ยวแจ้ง e e กับเกียงอุ้ยก็ยินดีก็รบอกไปต้อนรับตังคนมตามคมับกันแล้วกบพากันเข้ามาตังขวดนั้นก็ร้องไห้แล้วก็บอกก e ับเกียงอุ้ยว่าบัดนี้พระเจ้าจเราเสียนนายเรา เชื่อถือแต่ถ้อยคำฮวยโฮสารววมเสร์แต่สุราไม่ได้ออกว่าเหตการบ้านเมืองเลยจนบ้านเมืองเป็นมินตรายถึงเพียงนี้แล้วเราเหล่าข้าสานทั้งตัวจะคิดประ ก, การใดเก่นอุย ก, ก็จริงว่าท่านจะปรารมนทุกร้อนไปเลยตือเราชื่อว่าเพียงอนี้ ยังมีชีวิตอยู่ยังมิตายแล้วก็จะต้องคิดแก้แค้นไปเอาเมืองหันสมคือได้จนได้แต่สว่าบาักนี้เราจะสร้างสุนนานตั้งมั่นอยู่ณที่ดีก่อนแล้วจึงค่อยคิดการสืบไปฟางขวดก็จริงว่าที่ท่านว่านิชอบอยู่แล้วแต่ข้าพเจ้านะมีความวมิตกกังวถึงเมือง เ, องเสฉวนนิ่ง น, นะ ด้วยค้าสุดมีใจกำเริ่มเห็นจะไปตำมันตารายเสฉวนเป็นมั่นคนยินอุอ่น ก, ก็จริงว่าที่ทัานปะรารมชนิดก็ชอบแต่ว่าเมืองเสฉวนนั้นกว่าจะเข้าถึงก็เป็นทางกันดานมีซอกข้วยทางเขามากซึ่งข่าสุดจะยกเข้าไปตำมันตารายแต่โดยง่ายนั้นเห็นว่าขัดสมอยู่ ก้าถึงมาเราจะตีเมืงเสลิขนได้เราก็จะคิดไปตีคืนเอามาจะสู้ตายไม่เห็นน้อยมากแกทางเมืองอุกกเลยเกี่ยนอุยผู้สิ้นํามาใช้ก็เข้ามาบอกวาบัด น, นี้จูกัดสูยกทหารตามมาถึงท้ายด่านแล้วยังอูยเวิดฝันก็มีความโกรธนะคุมทหารห้ารอขอไปคุนทหารห้าพัห้าพัน รีดยกออกไปรบ ก, กับจูกัตสูขับทหารก็สู้รบ ก, กันเป็นสามารถทีเดียวทหารจูกัตสูรมไป้ายลงเป็นอันมากนะจูกัตสูต่อสู้รีกเกียนวิลี่ได้กถแตกนี้พาทหารไปตั้งค่ายอยู่ไกล้ด่านประมาณสองรอยเซนเกี่ยนอุยมีชัยชนะยึดได้มาลา มันเป็นผานาสำคัญของกองทัพและเครื่องสายกราอาวุธของจูกัะสูเป็นอันมากก็ยกกลับมายังนานเกียนโกฝ่ายจูกัะสูเอ่าสูเกียันไม่ได้ ถอยมาแต่ก็ไม่เคยถึงจะหนีหรอกตั้งค่ายแล้วก็รูวจนโฮนี่จนโฮยกฐานมาถึงแล้วก็เนื้อความไปแจ้งจงโยทุกประการก็แจถึงตงพ่ายแพ้ด้วยอ่ะจงนก็โรนะรกรนือว่เขาก็จวาเราได้กำชับแล้วให้ท่านตั้งสกดัดอยู่อย่ให้เกียตนี้ก็ได้ตั้งาแล้วได้สาให้ท่าน เราจะได้สั่งให้ท่านยกไปตีด่านทางจากประธานใดก็หาไมา่นี่โจโงสั่งให้ทํำมากที่เพีเท่านี้ให้สกดัดตั้งไว้เท่านั้นเอ่อแต่ว่าคือกักสูตรผู้บัญชาของเยียงวันีเข้าให้อะโจโง่โกรธยิ่งนักทีเดียวเหตุใดท่านจริงละเมินมิได้อยู่ในบังคับแม่ทับแม่กองทําตามลําพันใจของตัว ทำให้เสียฐานครั้งนี้นิชอบโจงวยก็สั่งให้ฐานเอาตัวจู ก, กัดสูไปฆ่าเสียนี่โจงวยนี่ทำตามกฎอาญาทับอาญาสุดเข้มแข็งทีเดียวขาเข่านี้ทหารปล้ากองทัพมาไปคนหนึ่งแล้วบัด น, นี้จะทหารจู ก, กัดสูคนละขนาดนั้นมีขวน ส่วเป็นนายทหารของจงเฮยเนี่ยก็ได้เขามาว่าแกจงเฮยว่ะอัจูกระสืคนนี้เป็นคนสนิทของเป็งนายเป็งนายรักใคร่เพชรภูมิเสนอตั้งแต่งให้เป็นขุนนางถึงแม้เราะจะทําผิดประการใดอย่างไรก็ดีท่นจะา่าเซตตามอังมามันก็ไม่ควรเฉพิะจะบอกกล่าวแกเป็งนายก่อนส่วนถั ง, งกิดทําไปเท่านี้ ถ้ารู้สึกเป็นไงแล้วเป็นไงจะน้อยใจว่าท่านดูมิ่จะไม่ผิดใจกันใช่รืมอมนีปุยขวนมาบอกกล่าให้ฟังถือประเภทรูปมากกปะจะมูกลาสี่แต่จงโย o นะเป็นอย่างไรจงโ h ยก็บอกว่าตัวเราเป็นแม่ทัพพระเจโจวนให้อายาสิบมาแก่เรา ทั้งสุมาเกียวหมาอุประาะก็กำชับสั่งมาทุกประการเรี๋ยวว่าแต่เราจะฆ่าจู ก, กัะสูนแค่ตัว น, นี้เลยถึงตัวเต็งายเองแม้ทำให้ผิดบครับบัญชาแต่กองทัพเราก็จะฆ่าเชเหมือนกันนีทหารที่ดูแด่ฟังดังนั้นก็ออนวอนะ่ะคือเกยอมาเต็งายเหมือนกันก็ออนวอนจนโหยเนี่ย ว่าขอให้ยกโทษจูกัดสูสักครั้งดีเถอะจงโหยเห็นห น, น้าต่างหลวงอ่อนวอนเช่นนั้นตก็ยกโทษในหะ้นี่เด็กขาแต่ก็สั่งให้เอาตัวจูกัดสูไปจองจำไวดแล้วก็มีใบบอกชนตัวไปถึงสุมาเกียวมาหาอุปราณเมืองโลกใหญ่ ถึงไม่ข่าไม่ทหารแต่ก็จองจำทำโทษทรงตัวไปยืนหลวงเลยขนาดมันกิทธิศักดิ์เวทจงโหยวเด็กทำพวกแกจูกับสูเช่นเนี้ยความเนียก็แจ้งกันต่ อ, ต อ, ตอไปไปจนถึงเป็นนายและก็เป็นความจริงดังที่มีกวนทหารของจงโหยวยิตกอยู่เหมือนกันคือเป็นนายรู้ขนาดก็โกรธทีเดียวเป็นนาก็จืดอะ จงโหยนี่ก็เป็นขุนนางเหมือนกับเราอ่ะจะได้มีความชอบประการใดอย่างไรนักหนาก็หาไม่อันตัวเราเนี่ยออกมาสู้ยากอยู่รักษาด่านทางกระทําการทับการศึกมีความชอบไม่ดงกว่าจงโหยีิจงโหยที่เป็นเน่ทับออกมาครั้งเดียวนี้ตั้งตัวเป็นใหญ่มีใจกัาเริ่องทำราชการนี้ได้ไวหน้าแกเราเลย มีเป็งไงโกรธแล้วคือต่างคนต่างก็ถือดีกันทั้งคู่ล่ะเป็นตงสึ่งเป็นลุดของเต็งไงเป็นตงมิฝีมือดีรว่วเต็งไงผู้บีดาโกรธแค่นั้นก็เข้าไปห้ามว่าการปิดพลังแต่เพียงนี้ควรจะอดเอาเช่นการราชการเถิแม่บีดา ม่ดาความโกรธพยาบาทในท่ามกลางสงครามนี้แล้วก็จะเสียราชการไปไว้สำเร็จรจาชการศึกแล้วคอยว่ากล่าวกันตามประเพณีเถิดเป็นโถงผู้เป็นบุเข้ามาพูดจาว่ากล่าวห้ามปราบชี้แจงแก่เป็นงายผู้บิดาเช่นนี้เอาก็พูดเหตุผลนั่นควรน่เป็นงายด้วยไฟหนุกชายห้ามเนี่ย ก็เห็นชอบด้วยก็จึงพาฐานประมาณ1 4บ5ี่สห้าขขึ้นมารีบไปยังค่ายจงโฮยจงโฮยก็แจ้งว่าเจงนายมาโดยปก ต, ติออกมารับก็ไปในค่ายต่างคนต่างก็คมากันตามประเพณีและเจงนายก็จริงว่าซึ่งครั้งนี้ท่านมาทำการปีด้ดยมีหันโสงเป็นความชอบใหญ่หลวงนะ ถ้แาแกถามทั้งปลวกกฎส่งเสริญปัญญาความคิดท่านมากขอท่านเด็กคิดอ่านทําการต่อไปปีเอาด่านเกียนโก้ให้ได้เถอะเป็นไงกล่าวเช่นนี้จงโหก็ถามว่าความคิดของท่านที่จะให้ปีเอาด่านเกียนโก้เงนน่ะตามความคิดท่านจะทาประการใดอ่ะคือมีการปรึกษาหาหรือกันแบบนีเป็นไงก็ตอบว่าขาเจ้านี้สติปัญญาน้อย จะคิดอ่านทำแปลก็ขัดสมอยู่ข้าพเจ้าจะพุ่งปัญญาความคิดท่านเสียอีกจงเหยไฟังแคนั้นก็ไม่ตอบละว่าตนจะทาอย่างไรคือเป็นไงก็จะขอความคิดความคิดจงโหยนเนี่ยจงโหก็เฝ้าถามเป็นไงทั้งสามครั้งสีครั้งไม่กุดเป็นไงขัดมิได้ก็จึงตอบว่าที่จะตีด่านเกียร์โปนข้าพเจ้าเห็นว่า จะไปตีเมืองเสฉวนเนี่มีทางเข้าอยู่เป็นหลายทางอยู่ขอท่านแต่งฐานกองหนึ่งยกไปทางปกยงเพื่อล่อกองทัพมืเสฉวนไว้ให้เห็นเป็นว่าจะตีเข้าไปทางนั้นลาเสียนก็จะต้องแต่งกองทัพออกไปรับกองทัพลาวทางปกยงฝ่ายกีนูรู้ก็จะต้องทิ้งหานเสีย เพราะเห็นว่าเรายกรวกมาทางนี้จำจะต้องทิ้งด่านเพื่อไปช่วยกันท่านจงแต่งฐานอีกองมีให้รอบยกไปทางด่านอินเต็งเพื่อชิงด่านเกียมโพ๊มนี่ก็ห็นจะได้สะดวกหากได้ด่านเกียมโอันสำคัญนี้แล้วด่านทั้งตัวก็จะสำเร็จโดยเร็วเพื่อจงโวยโกเราเฝ้าถามทุกสามครั้ง4ี่ครั้ง เป็นไงขาดนี้ได้ก็จึบอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าจะไปตีมือลเสฉวนนี้ก็มีทางเข้าอยู่เป็นหลายทางอยู่ขอให้ท่านแต่งฐานกองนึงยกไปทางปกหยงลอกกองทัพมูลเสฉวนไว้ให้เห็นเป็นว่าจะเข้าไปทางนั้นเหล่าเซียนก็จะแต่งกองทัพออกมารับเรา ฝ่ายเกียร์อุยรู้ก็จะต้องทิ้งด่านเสียเพราะเห็นว่าเรายกลูกมมาทางนี้เกียร์อุยก็ต้องมาช่วยทางปลดยงแต่แล้วท่านจงแต่งหานอีกองนึงให้รอบยกไปทางอินเป๋งชิงเอาด่านเกียร์โอ้ก็เห็นจะได้สะดวกถ้าได้ด่านเกียน์โอ้แล้วด่านทั้งตวงก็จะสําเร็จโดยเร็วเป็นนายกล่าวดังนี้ สื่เกียร์โกเนี่เป็นด่านสาคัญจริงๆอ่าแตงายก็คุมด่านเกียรโกนี้อยู่นะฝ่าจงโหยได้ฟังแล้วก็ทําเป็นยินดีเพราะรว่าถ้าเช่นั้นท่านจงยกทหารล่วงเข้าไปทางอินเป็งก่อนเถิดเราจะตั้งรออยู่ที่นี่ก่อนแม้ท่านจุกเฉินประการใดเราจรึงจะยกฐานอุบุญไปช่วย ท, ทันทีแต่งายได้ฟังจงโหรว่าดังนั้น หรือเจอเหตุผลจงโคยผิวกรสั่งเต็งไงเลยล่ะไอตี๋ไปทางดานอินเปงนี่ยราเอาเต็ง a งก่อนรับฟันโจงโคยทำมัดาแล้วก็ ก, กลับออกมาฝ่ายโจงโคยเปล่งเต็งไงออกไปแล้วก็ได้วาแก่ฐานั้งปวงว่ะคนทางปวงสรรเสริญเต็งไหวังมีปัญญาความคิดมากนั้นแต่ก่อนเราก็คิดว่าจริง แต่มาแบบนี้เราเห็นว่าเ็งไงคิดอ่านทำการทั้งปวงดังหนึ่งคนโง่หาปัญญานี้ได้นี่จงหอยจากการรวงถามความคิดเห็นของเตงายแล้วก็กล่าวประนามเง็งไงแบบนี้เลยนี่แหละดังหนึ่งคนโง่หาปัญญานี้ได้หารงวงก็ถามว่าเหตุใดทั้งจึงว่าดังนี้ จงโฮยก็บอกว่าทางอินเป็ง น, นั้นมันเป็นซอกเขาทับแค่เป็นทางจำเพาะนะจะเดินทับก็ขัดสนแล้วควรหรือเป็นนายจะคิดอ่านยกทหารเข้าไปทางอินเป็งนะ่ะเหมือเดินเข้าไปในจังถ้าแม้ขาสุดจะยกมาสะกัทางไว้ไม่ต้องมาแต่เพียงแค่สุดจำนวนร้อยก็มิอาจจะหากออกมาได้ อาหารทั้งปวงก็จะไปอดข้าวตายกันหมดนี่หรือนักถือเป็นไงว่ามีปัญญาถ้าเป็นงางมีความคิดจริงเหมือนเขาว่าแล้วที่ไหนเป็นงางจะเจรจากับเราชนิดเราอันความคิดของเราสึ่งจะเข้าไปตีเมืองเสลิฉวนครั้งนี้จะยกไพร่คนเดินทางใหญ่นิพัสต์ลงไปลำบากในทางน้อยนี่ จงโวยมีแผนการเดินทับหมเพราะไปเดินไม่สะดวกเดินตามทางใหญ่ไม่ไปตามซอกเขาทางเล็กทางน้อยหรอกนิพพัทธ์ให้ต้องลาบากจะเดินไปตามทางใหญ่จะเอาเมืองเสฉวนให้จมได้จงโวยว่าดังนี้แล้วก็สั่งถามนักลให้ทําบันไดแล้วก็จัดแจงการพร้อมไว้ เป็นไงกลับออกมาจากค่ายจงโหยเดินมาตามทางก็ถามทางหลวงปวงว่าเราเข้าไปเจราจาด้วยจงโหยเมื่อตะกี้เนี้ยท่าเห็นกริยาอาการจงโหยนั้นนะ่ะหรือยังเกลงความคิดของเราหรือไม่เป็นไงถามยอย่างนี้ถามทหาของตนทหารก็บอกเข้าไปเจรวิเคราะห์ดูพวกที่จงโหยเมื่อสงทนาอยู่ด้วยท่านนั้น เหยว่าไม่เชื่อถือท่านแต่เาว่าก็เกรงใจจึงได้สังกระต่ายรับปากไปเช่นั้นหรอกทหารขู่ายของเตง่ายคนหนึ่งก็กล้าบอกตรงๆนี่แหละกวจงโฮยไม่ได้เชื่อถือรอกแง่ายก็จงึงว่าจงโหยนี้สำคัญว่าเราจะตีเอาเมียนเสฉวนนี้ได้จินดูหมิประมาทเราเราจะอึตส่าห์ทำการแก้ไข ไปเอาเมืองเสรชวนี้จึงได้ทีเดียวเป็น่ายกล่าวดังนี้เลย ค, นะคือมุมาณะกมาทีเดียวครั้งเป็นนายกลับมาถึงค่ายแล้วกดกลับเรืนรอนฐานน้ำพวงพร้อมทุกหมวดทุกกองแล้วก็รีดโยกไปท่ากลางวันกลางคืนทีเดียวคือไปทานอินเตงแหละ อยจงเหยนี่ก็คอยสนับหลับฟังขา่ข า, วข า, วขาวข่าวรัพของเต็งงางอยู่ตลอดเวลาก็รู้ว่าเต็งไงกลับไปจาดแจงกองรับยกไปก็หกัวเราะแล้วก็จังหวะซึ่งเต็งไงจะยกไปเตี๋ยเมียนเสฉวนนั้นเราไม่เห็นที่จะสําเร็จเลยจงโหยกล่าวประมาเต็งไงดังนี้เป็นอันวับในตอนนี้ กองทัพวีโกบุโกเอียนมีตัวนายเป็นสองคือจงโฮยและเตงไนในเมื่อตัวนายเป็นสองมีทัพเป็นสองต่างก็จะพุ่งขบดขยี้เสฉวนให้จงได้ด้วยกังเนี่ใครจะเป็นผู้กระทำการนี้ได้สําเร็จก่อนหันมากล่าวทางเตงเนไนเตงไนเด็ก ย, ยกมาประมาณทางหกรอเส้นถึงปากทางที่จะเข้าไปทางอินเ็งเนี่ย คอยพักตงให้อยู่กว่าแล้วก็บอกนักสืบไปแจ้งแกซูมาเก น, นันเรีโลเห็นตามข้อราชการว่าเนกระทาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ะ่ะบัดรนี้เข้ามาถึงอินเซย์ละถึงทางที่จะเข้าอินเซยแล่ะเรีกเรียกกระชุมนมา น, น้องวพร้อมกันแล้วก็จินว่าบัตนี้เราจะลอบยึดเข้าไปตีอามืนเสฉวนท่านท้พวงจนไม่อุตส่าห์ทการ่าได้เกียรครังเลย ถ้าทำเหมือกันแล้วก็จะมีความชอบเป็นอันมากเหมืนกันทุกคนอันหนึ่งก็จะปรากฏชื่อเสียงแบบนาาัานนะผูดด้ใดเป็นใจด้วยเราบ้างนี่เป็นไงถามความทีพิถีในมูลฐานของตนนี่แหละทหารน้ำวงต่างก็รับคําว่าข้าพเจ้าจะขอทำการอาสาท่านจนกว่าจะเส้นชีวิตถึงจะตายก็ไม่ได้อะไรเลย เนายได้ฟังก็ยินดีก็ให้เป็นสงผู้บุตรของตนเนี่ยขุมนันห้าพันให้ขวานและซิลครบมือมีเป็นอาวุธพิเศษละมันพากันยกไปเป็นกองหน้านีกองหน้าของเป็นนายมีเป็นสงมีเป็นผู้บังคับกองหน้ามีหน้าที่สําหรับชาระทางมีชาระหุ่น ฐานทางมีไปเลยเพื่อกองทัพใหญ่เดินสะดวกนะพิเปิดเป็นไงทำอย่างนี้สั่งกำทับว่าที่ไดเป็นรุมงให้เกลียดโกดซ่รมที่ใดรุ้งหรือทำสะพานเดินให้สะดวกนี่อันนึ่งสีราจะ ง, งอนขวานทางอยู่นะให้เอาเพลินสุนมชําราลงมาเสียจะให้กีขวานอยู่ได้ ตรงนี้ถ้ากำลังตัวจะรู้สึกอะไรอยู่นะที่เป็นศีลาทาั้งนวดขวางหุ้นทางอยู่ให้ออกเพลินสุม่มคือวิธีทําลายหินอย่างนี้สูบไฟเข้าไปนี่แหละแล้วก็ทุแบแตกทําลายได้ง่ายกว่าดี่อย่าไปคิดว่าเป็นเพ่ยทำที่ท่านเขียนไว้เฉยๆไม่มีเหตุไม่มีผลเอาสิทรงกองชาาัมระทางไปด้วยว่ากองชาาัมระทางหรือว่า ด้วยการทางให้ทําทางร่วหน้าไปเลยกองหน้าเป็นกองชาาําระทางครั้งแกกองชํ า, าระทางไปแล้วค่อยทางสามหมเอาเข้าปากใส่ไถ่ฆ่าเอวมีเชือสสำหรับจะม้วงเหียวขึ้นเผาและลงห้วยทุกคนนี่กองที่สองสามหมื่นเรียกว่าเรียนอาหารไม่ต้องห่วงเอาเข้าปากใส่ไถ่ฆาาเอวไป แล้วก็มีเชื่อกสำหรับการปลายเปียนขึ้นเขาลงห้วยและให้ตั้งค่าเป็นระยะะกันไป200เส้นมีค่ายหนึ่งค่าย200เส้นค่ายหนึ่งค่ายเกมฐานรักษาค่ายเสมอวค่ายระสานทังทุกตำบลและเป็นไง ย, ยกมาทางอินเปงครั้งนั้นไม่ยสวันสงบเสียงผู้คนทั้งปวงไม่ยินแต่เสียงนกร้องอยู่ในปา่า แต่ตร้งค่ายเรียมาตามระยะทางเรืมาก็เหนือทหารอยู่แต่สองพคนคือสร้างค่ายเข้ามาได้เป็นหค่ายตามระยะทางกดตกระยะทางอ่าพันสอง้อยเนอ้าวสร้างสร้างค่ายเข้ามาเรื่อมาเรี่อยมามาจนถึงเขาแห่งหนึ่งชื่อมอเทียนเนีย สูงกว่ดสูงยิ่งนะจะขี่ม้าขึ้นไปก็มิได้ท ห, หารทั้งปวงก็ต้องลงจากหลังมากันสิ้นแล้วก็ชวนกันปีนขึ้นไปแต่ตัวเปล่า เนไนำพับมาถึงมอดเทียนเหนียนมันเป็นภูเขาสูงกล่าวทหารตระเนวนจากหลังมาปลายปีนขึ้นไปแต่ตัวเปล่าเป็นไงเห็นทหารกองหน้าซึ่งเป็นกองชำระทางทำทางไปจะไปนั่งร้องไห้ยอยู่ก็เรียกตัวมาถามว่าร้องไห่หรืออ่องใดทหารก็ตอบว่า ซึ่งขบ aja ธรรมรัทางมาแต่หลังก็พอกําลังทำมาได้ที่ทำทางมาแล้วเนี่ยลาบากยากแค้นสาหัสอย่างไรก็ทำมาได้แต่ว่าจะจะทําต่อไปขัานหน้าเนี่ยที่มีเขาเป็นชงนักช่างเงนยุดตรงไปเนี่สุดกําลังที่จะทําได้ขาบ aja ทั้งปวงจึงนั่งร้องไห้อยู่แต่ง่ายก็จึงบอกว่าเราสาทําความเพียนมาบัดนี้ทั้งสิ้นขนทางเจ็ดพเส้น ควจะได้ความชอบอยู่แล้วควรหรือท่านถึงปลงมาละความเพียรเพื่อหนีเรา อ, อีกหน่อยหนึ่งก็จะถึงเงอยู่งกังเราทั้งหลายก็จะได้ความสุขหรอกจงสาเพียรทําไปแตสักหน่อยเถอะถึงมากต่ว่าฝ น, นเป็นหน้าผาโปรกจะงัดอยู่ก็ดีเราจะเชือดสายห้อยต่อลงไปถึงได้ทหารท่า น, านสวงได้ฟังดังนั้นฟังก็ชวนกันยกขึ้นไป ทันไปถึงหน้าผาที่เป็นชันนะก็เอาเอาวุธผูกเชือกย่องลงไปก่อนแล้วฐานะรวงก็ยุดเชือกค้อยตัวตามลงมาทั้นพร้อมกันแล้วก็ยกต่อไปอีกคือปลายปีนขึ้นไปด้วยความยมากลำบากนี้แต่ก็ผ่านไปจนได้สําเร็จผ่านไประยะทางประมาณสามสิบเซนก็เห็นค่ายลูกหนึตั้งอยู่ที่ปากทานเป็นค่ายตั้งอยู่ เขาจึงเรียกชาวบ้านป่ามาสอบถามว่านี่ใข้ผู้ใดอะ่ะชาวบ้านป่าก็าจึงบอกว่าใข่อันนี้เมื่อคงไม่ยังไม่ตายนั้นได้มาสร้างไว้เกินท ห, หารอยู่รักษาพันบัดนี้พระเจ้าเราเสิ่นได้เลิกทหารกองนี้กลับไปเสียแล้วให้ทารกองนี้เลิกกลับไปเป็นไงพอได้แจ้งดังนั้นน่ะ พูดออกมากว่าขงเบ้นี้มีปัญญาสามารถนะถ้าเรามีโอกาสได้เป็นศิษย์ขงเบ่แล้วแม้เราจะทําการสงครามต่อไปก็ไม่ได้กลัวผู้ใดเลยนี่เป็นมูลของรองหน า, หนาที่พระเออร์น่ยพระเจ้าเราเสียนนะ่ะเรียกทหารกองหนึไปเสียถ้าแม้นทหารตั้งตัวนี้ยังรักษาอยู่ตามบางังคับของผมไบ้แล้วที่ไหน เราทั้งนี้จะมีชีวิตอยู่ก็ะจะพากันมาตายในเซตที่นี่สิแบบนี้สมกวาาปราขนาของเราแล้วมีองอิก็ก็จะไม่ทนมีเราข้าปลาอาหารในตะบนนั้นก็บริบูนนะเราจะรีบไปปีเมืองอิวก็อย่าให้ทางอิวก็รู้ตัวเป็นไงกล่าวดังนี้ตุกากต า, าปลแล้วก็รีบยกไป ตอนนี้มีที่ทัางแต่ที่ไม้พิเศษพุ่มเติมด้วยว่ามันเป็นทางที่มาได้ยากยิ่งเพงจะมีทหารอยู่รักษาจํานวนเพียงแค่พังเดียวนี่แหละก็จะมีศัตรูจะเป็นจํานวนกีมีนตีมืีนก็ตามลุกเรืองล้ําขึ้นมาได้โดยเป็นกานขาดที่เดือ้หรือนี่ประเทศเป็นายที่จะสกัดกั้นบุคคลเรานี้นี่อาจจะให้ขึ้นมาได้โดยสะุวกแล้วเนี่ยถ้ามีทหารกลึงจะใช้เก้าพัน ระดมยิงลงไปรบวนเกลืมาประการเท่านั้นกองทหารเป็นงางไม่อาจจะขึ้นมาณนฐะานนี้ได้เป็นอันขัดแต่บัดนี้ดิสความโลภข่าวเบาปัญญาเชือกัฟแต่วีโขขันทีสนุกสนานรื่นรวมแต่สุราอิสตรีของพระเจ้าเราเสียงเมื่อฐานกองนี้ถูกส่งมาอยู่ที่นี่ร้องเรียนว่าราํามาตรากรรมประการน่ารัการ จิมมองมีเห็นความสมแขังของตําบลนี้จิมดูด้วยฐานกองนี้กลับไปมีแหละเป็นฤทธิ์เป็นายก้าวเข้าสู่เสถชวนได้ง่ายขึ้นฝ่ายมาเชียวมาเชียวนะครับไม่ใช่มาเชียวนะฝ่ายมาเชียวจะเป็นอีกฝ่า ตั้ต่แก้วเมืองันตงเมืองสำคัญของเฉฉวนเสียแต่มีโกะแข็ปแล้วเนี่ยมาเที่ยวชนนิยตังเนี่ยกว่าะเอ็นทหารซักซ้อมอยู่ไิดเดียวครับครับอยู่มาวันนึงเวลาเย็นทหารแล้วกลับมาเซตุรากับริยาปริยาบอกว่าทหาร ม, มีโก็โยุบมาปีเอามึงเห็นตงได้แล้ว ตัวท่านเป็นเจ้าเมืองเหตุบนี้คิดแตมที่จะป้องกันบ้านเมืองเลยมัวประมาศเสกุรายร่นตามสบายใยสนี้มาเฉียวก็ถิอว่าตัวเราเป็นแต่เจ้าเมืองเล็กน้อยจะปรา บ, รบยายอมตกองทัพเมืองวิโกกนั้นก็จะไม่มาทางนี้หรอกเมืเ่อมอคาเขาับนกันดัน้ทจะยกทำนี้ได้ ถ้าจะยกธรรมะียก็จะต้องมาทางใหญ่อันทางใหญ่นึงเราเ e e อียงอุ้ก็ยกขามไปรักษา